อาจารย์คนหนึ่งพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาวๆก็มักจะพาลูกชา ย, ยไปบ้านพักคนชราแถาเนี่ยบังแคเพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตนะพะธรรมดาของคนหนุ่มก็มักจะหลงหรือเพลินในความเป็นหนุ่มในกำลังวังชาของตัวเนี่ยมักจะ ลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่และพอแก่แล้วมันก็มีสภาพเนี่ยตรงข้ามกับคนหนุ่มนอกจากไปเรียนเรื่องศัจธรรมของชีวิตแล้วก็ไปเป็นจิตอาสาด้วยไปช่วยเหลือคนแก่คนชราซึ่งส่วนใหญ่ที่บัพพกคนชราเนี่ยก็ก็มีสภาพที่ย่ำแย่เจ็บป่วยบางทีนอนติดเตียง บางคนก็ความจําเสื่อมแล้วก็ที่สติฟั่นเฟือนถึงขัง้นวิกฤติเลทก็มีไม่น้อยมีวันหนึ่งก็ไปเจอลุงคนหนึ่งนะแกบเดินอุ้มเก้าอี้แล้วก็เดินไม่เดินออกไปข้างนอกอาจารย์คนนี้ก็เลยอยากจะผูกมิดด้วยนะก็เลยถามว่าลุงจะไปไหนแกบอกว่าจเจ้าต้นไม้ไปปลูกเนี่ยแล้วก็ชี้ไป ที่สวนอต้นไม้รอ บ, บสวนเนี่ยฉันปลูกทั้งนั้นแหละว่าแล้วแกวก็เดินอุ้มเก้าอี้นะไปที่สวนอาจารย์คนนี้ก็อยากจะผูกสัมพันธ์ด้วยก็เลยชวนลูกเนี่ยอุ้มเก้าอีนะ้ประกอบเก้าอี้ถือเก้าอี้เดินตามไปด้วยเดินไปสักพักลุงแกก็หันหลังกลับมาแล้วถามว่านี่พวกเธอจะไปไหนกันอาจารย์ก็บอกว่าก็จะขนต้นไม้ไปปลูก เหมือนลุงไงลุงคนนั้นแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะบ้าเหรอไอ้ที่แกถือเนี่ยมันเก้าอี้ไม่ใช่ต้นไม้นะไอ้ลุงนี้ก็เป็นเกตเล็กๆนะแต่ว่ามันบอกอะไรบางอย่างนะคนฟั่นเฟือนเนี่ยหรือคนวิกลจริตเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้อะไรนะเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าใครที่ทําอะไรผิดปกตนะิเห็นอาจารย์คนนี้ถือเก้าอี้ แล้วบอกว่าไปขนต้นไม้เนี่ยจะขนต้นไม้ไปปลูกเนี่ยแกก็ว่าเนี่ยบ้าแล้วเนี่ยแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอย่างเดียวกันตัวเองก็ขนเก้าอี้เหมือนกันนะแล้วก็นึกว่าไปปลูกต้นไม้เห็นคนอื่นขนเก้าอี้แล้วรู้ว่าบ้าแต่ว่ากลับมองไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองน่ะก็บ้าเหมือนกันนะคนฟันฟ่นฝืนเนี่ยรู้นะรู้ว่าคนอื่นเป็นยังไง แต่ไม่รู้ตัวเองอันนี้เนี่ยก็เราพอจะบอกได้ไหมว่าใครก็ตามเนี่ยนะที่รู้ข้างนอกนะรู้ว่าใครทำอะไรแต่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็จัดว่าเป็นคนฟั่นเฟือนเหมือนกันแล้วคนจานวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนี้นะรู้ว่าคนอื่นโกรธแต่พอตัวเองโกรธเนี่ยไม่รู้นะรู้ว่าทุกคนอื่นเครียดนะเห็นหน้าคนอื่นเนี่ยรู้แล้วเขาเครียด แต่ว่าไม่รู้ว่ตัวเองเครียดทั้นที่ความเครียดนี่มันก็เล่นงานทั้งกายและใจท่านจะว่าไปแล้วคนเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ฟั่นเฟือนกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นตลอดเวลาเราเรียกอาการแบบนี้ว่าหลงนะได้เหมือนกันคนบ้าคนหลงนี่ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคนบ้านี่เขาหลงเรียกว่าอาจจะยืดเยื้อยาวนานอาจจะตลอดทั้งวัน แต่คนส่วนใหญ่ลงเป็นพักๆหรือว่าฟั่นเฟือนเป็นพักๆ ก, ก็คือรู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ไม่รู้ตัวเองไอ้ที่ไม่รู้ตัวเองเพราะอะไรนะไม่รู้ตัวเองก็เพราะว่ามันจมเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในความคิดหรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์เวลาหลงเข้าไปในอารมณ์แล้วไม่รู้ตัวเห็นคนอื่นว่าทำอย่างนี้ไม่ดีรู้รู้หมดนะแต่พอ ตัวเองทำอย่างงั้นบ้างกับไม่รู้เพราะความหลงแล้วคนเราพอหลงแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรที่เป็นโทษกับตัวเองได้ง่ายนะเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยมันมีมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะอยู่ริมถนนอยู่ตรงกลางนะระหว่างโรงเรียนอาชีวะสองโรงเรียนในเรียนอาชีวะเนี่ยนะมักจะมีเรื่องทะเลาะกันคอมเมนกัน ความถือพวกเนี่ยความถือพวกถือเผาเนี่ยแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่คนละโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละพวกแล้วก็ถือเป็นศัตรูกันนะบางแห่งก็ถึงขั้นตีกันนะชกต่อยกันโรงเรียนสองเรียนนี้ก็ทํานองนั้นแหละและ้วมักจะทําสงครามกันทําสงครามผ่านการขีดเขียนข้อความบนกำแพงเนี่ย ที่กรุงเทพนี่เราคงเห็นบ่อยนะสมัยสักหลายปีก่อนเนี่ยจะมีเขียนข้อความต่างโรงเรียนก็เขียนข้อความข่มกันปกอเป็นพ่ออนอชอเนี่ย อ, อนอชอก็เขียนข้อความข่มหรือว่าเขียนข้อความด่าซ้ำตอบโต้ก็ใช้กำแพงบ้านของบ้านหลังเนี่ยนะซึ่งมันอยู่ อยู่ริมทางเนี่ยขีดเขียนข้อความโขมกันด่ากันเจ้าของบ้านนี่ก็ต้องมาเสียเวลามาทาสีทับนยอยู่เป็นประจำตอนหลังก็รู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยเขียนเป็นข้อความเป็นป้ายติดเอาไว้ว่ากรุณาอย่าขีดเขียนกำแพงก็ไม่ได้ผลนะนัเกเรียนก็ยังใช้กาแพงบ้านเนี่ยขีดเขียนข้อความ บางทีก็มีข้อความหยาบคายบางทีก็อาวาดรูปนะใช้สีพ่นเอาก็ต้องเจ้าของบ้านก็ต้องเอาสีมาทับนะตอนหลังก็ชักไม่ค่อยพอใจแล้วก็เลยเขียนข้อความแรงขึ้นว่าก็ไม่เชิงแรงนะบอกว่าห้ามขีดเขียนบนกําแพงนะก็ยังไม่ได้ผลนะวัยรุ่ก็ยังขีดเขียนอีกตอนหลังก็เลย เขียนข้อความในทํานองที่จะเอาเรื่องแล้วห้ามขีดเขียนบนกาแพงถ้าจับได้จะถูกดาเนินคดีเนี่ยโูยอย่างนี้เลยวิบว่าวะวะลุงก็ไม่สนใจก็อเอาอีกนะขีดทีนี้ไม่ไม่ได้ขีดเขียนด่าซึ่งกันและกันนะขีดเขียนข้อความท้าทายเจ้าของบ้านก็เขียนข้อความหยอกหรือว่าอ่าประชดเจ้าของบ้านก็มีเจ้าของบ้านโมโหมากเนะี่ย หลังจากที่ขีดข้อเขียนเอาสมาีมาลบข้อความเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเนี่ยไม่ได้ผลก็ลยังถูกดา่าถูกว่าอีกนะถูก ท, าท้าทายวันหนึ่งเจ้าของบ้านนี้ก็ฮิวนะกะป็ปองสีมาพร้อมกับแปรงด้วยความโกรธนะแล้วเขียนข้อความตวตโตใครเขียนเป็นหมานะตกลงใครเป็นหมาก่อนนะ เจ้าของบ้านเป็นหมาก่อนเนะี่ยแต่ไม่รู้ตัวนะต้องการที่จะเขียนว่าคนนักศึกษาวัยรุ่นนะนักเรียนว่าอยากเป็นหมาหรือไงนะแต่ว่าตัวเองเป็นหมาไปแล้วเพราะอะไรนะเพราะลืมตัวทำไมถึงลืมตัวเพราะความโกรธนะคนเราพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่ทําอะไรที่เป็นผลเสียกับตัวเองได้เวลาเราโกรธแล้วเนี่ยอยากจะทําอะไรก็กลายเป็นตรงกันข้าม นะแม่ค้าเี่อยากจะให้คนมาซื้อของแต่ถ้าโกรธลูกค้าเพราะลูกค้าต่ออย่างน่าเกลียดเนี่ยวันที้ก็ดา่านะลูกค้าเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ลูกค้าก็ไกลเป็นได้ศัตรูไปอยากจะชักชวนคนมานะให้ทำโน่นทนํานี่แต่เพ เ, เพราะเขาเล่นตัวก็โกรธด่าเขาเขาก็เลยกลายเป็นศัตรูไปเลยไปชอบผู้หญิงพยายามพยายามชักชวนหวานล้อมนะ หวังจะให้เขามาชอบเราตื้อเขางอนเขางอเขาเขาไม่เป็นไปตามใจก็ด่าเขาแต่ที่ทําให้เขารักก็กลายเป็นทําให้เขาเกลียดเพราะอะไรนะเพราะความลืมตัวจต่คนเราพอลืมตัวแล้วมันทําอะไรยิ่งกว่านั้นนะไม่ใช่แค่ทําในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองเท่านั้นแต่สามารถจะไปเบียดเบียนคนอื่นได้ด้วยแล้ที่ลืมตัวเพราะอะไรเพราะหลงอยู่ในอารมณ์ ทำไมถึงปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบจิตใจได้นะจริงๆอารมณ์พวกนี้มันก็เป็นโทษกับจิตใจมนุษย์นะธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันจะมีกลไกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตรายกับตัวเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเพื่ออะไรนะธรรมชาติให้มาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีอันตรายอยู่ตรงไหนจะได้ พาตัวนี้ห่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นถ้าตายเห็นสัตว์ร้า ย, ายเห็นงูแล้วก็เดินหนีนะไม่เหยียบเวลาหูได้ยินเสียงเสียงพายุเสียงลมเสียงครุ่นคลางเสียงสัตว์ก็จะได้หาทางหลบหนีซะป้องกันตัวลิ้นเราเนี่ยก็มีความสามารถในการรับรสโดยเพราะรสขมเนี่ยลิ้นเราจะไวเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะความขมเนี่ย มันมักจะเป็นพิษนะพิษส่วนใหญ่มักจะขมเพราะฉนั้นพอเราได้ลิลล้มลถขมเนี่ยเราก็กจะต้องต้องวางแล้วไม่กินแล้วตัวเราเนี่ยนะมันก็ไวนะต่อของแหลมของร้อนพอมีของแหลมของร้อนปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเหยียบเข้าไปเต็มเต็มเท้านะเพียงแค่สัมผัสนะ น้ำแหลมบนพื้นเนี่ยเราก็ยั้งเท้าไว้ได้นะไม่เหยียบอันนี้เป็นความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับเราเพื่อป้องกันอันตรายทางกายแต่ว่าอันตรายมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีอันตรายทางใจด้วยธรรมชาติก็ให้นะสิ่งที่คอยช่วยให้เรารู้ทันอันตรายเหล่านี้นะนั่ น, นคือสติสติคือความสามารถในการระลึกรู้นะ พูดง่าคือสติเนี่ยมันเป็นเครื่องป้องกันจิตพอมีอะไรมาพอมีอารมณ์ใดมายุ่มย่ามนะเข้ามาครอบงามจิตเนี่ยเราก็จะรู้สติจะทําหน้าที่รู้ทําหน้าที่เตือนเหมือนสัญญาณการขมโมยหรือเหมือนสัญญาณการไฟนะสัญญาณเนี่ยการไฟเนี่ ย, ญญนน ย, ยพอมันมีควันขึ้นมานแค่เปลวไฟน้อยๆเนี่ยในห้องเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบอกเราละถ้าเป็นสัญญาณที่ดีนะจะจะไวมาก ไม่ต้องรอให้ไฟมันลุกท่วมห้องเนี่ยถึงค่อยส่งสัญญาณบอกเราแต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตเผาผ่านจิตแล้วถึงค่อยรู้ตัวแต่บางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพรายิ่งผนเผาผ่านจิตมาเท่าไหร่เนี่ยจิตมันก็ยิ่งส่งออกนอกนะยิ่งเรากโกรธใครเนี่ยจิตเราก็จะไปจดจ่ออยู่ที่คนที่ทําให้เรากโกรธเช่นคนที่ด่าว่าเราคนที่ทำํำไม่ถูกใจเรา แล้วเราก็จะหาทางตอบโต้แก้แค้นแล้วจิตส่งออกนอกนะลืมมาดูใจว่าตอนนั้นใจกาลังถูกเผาผลาญนะและนี่แหละคือที่มาของความทุกข์นะของผู้คนในปัจจุบันคนปัจจุบันเนี่ยมีความเครียดสูงมากมีความวิตกกังวลมีความโกรธมาก ท, าทั้งทัที่ชีวิตก็มีความสะดกสบายแนละ้วเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนานะหรือว่าใช้สติให้เป็นประโยชน์นะ มันก็เลยไม่มีเครื่องที่จะคอยรักษาใจหรือว่าคอยบ่งบอกให้เรารู้อันตรายกำลังเกิดขึ้นหรือเนี่ออันตรายทางกายมีน้อยนะอาหารก็มักจะเป็นของดีไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่สัตว์ร้ายก็ไม่ค่อยได้มารบกวนรังควานเราอย่างมากก็แค่ยุงนะหรือว่ า, มาแมลงตัวน้อยๆ น, นะ ภัยธรรมชาติที่จะมาเป็นอันตรายต่อชีวิตก็น้อยลงแต่สิ่งที่มันกลับเพิ่มมากขึ้นก็คือให้ความทุกข์ในจิตใจนะความเครียดความวิตกกังวลความโกรธอันนี้ว่าเป็นศัตรูที่นะเป็นศัตรูที่ทำให้คนตายมากที่สุดนะคนที่ตายเพราะความเครียดเนี่ยจานวนเนี่ยมากกว่าคนที่ตายเพราะเลาแล้วบุหรี่ซะอีกนะอันนี้พูดถึงสถิติสถิทิทั้งโลกนะ พอพอเครียดแล้วมันก็ทําให้เป็นโรคหัวใจทําให้เซลล์ในสมองแตกโรคสารพัดเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะความเครียดจริงเนี่ยถ้าเรานะมันอ่านะมันใช้สติรักษาใจเนี่ยมันก็ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดมากเพราะเราพอเครียเรรนะรดเราก็รู้อ่พอโกรธเราก็รู้อ่าแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้มันครอบงาใจเจ้าของบ้านเนี่ยคนที่ว่านเนี่นะ เราเห็นชั้นแล้วเขาลืมตัวเขาถึงเขียนข้อความว่าใครเขียนเป็นหมานะแต่จริงเขาลืมตัวตั้งแต่เขาลืมตัวตั้งแต่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วนะมันไม่ใช่ลืมตัวต่อเมื่อเขียนข้อความนั้นนะลืมตัวตั้งแต่ปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำพอใจเนี่ยคุณคิดแต่เรื่องนี้คนรอเวลาจะมีอารมณ์ใดก็ตามเช่นความโกรธความเกลียดมันต้องคิดก่อนนะคิดถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดถึงคนที่มาขี่เขียนข้อความในคาแพงแล้วก็โกรธ ถ, ถ้าไม่คิดก็ไม่โกรธนะแต่ว่าเพราะว่าคิดถึงมันบ่อยๆทำไมถึงคิดก็เพราะไม่รู้ตัวนะกินข้าวก็คิดนอนก็คิดนะผู้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะทั้งที่เวลากินข้าวควรจะเป็นเวลาที่เรามีความสุขกับการกินข้าวนะเวลาเราดูหนังแล้วควรจะมีความสุขกับการดูหนังแต่คนส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้ใจมันคิดนะในเรื่องที่อ่นะ สร้างความทุกข์หรือสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวอันนี้ก็เรียกว่าไม่ปล่อยไม่วางนะหลายเรื่องที่เราเอามาคุ้นคิดเนี่ยมันผ่านไปนานแล้วนะแต่ก็เก็บเอามาคิดหลายเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นเลยซ้ำแต่วาดภาพลวงหน้าไปแล้วก็เอามาคิดแต่และเป็นไงก็ทุกข์เลยนะเราทำยางี้ทั้งวันนะแม้กระทั่งเวลาเดินทางนะ พอรถติดนะใจก็คิดละว่าถ้าติดแบบนี้แล้วเกิดไปทางานสายจะทำยังไงติดแบบนี้สงสัยคงจะไปประชุมไม่ทันแล้วมั้งติดแบบนี้เนี่ยคงจะต้องผิดนัดไปหาหมอไม่ทันส่งลูกไม่ทันพอคิดแค่เนี้นะมันหงุดหงิดขึ้นมาเลยมันเครียดขึ้นมาเลยกังวลเลยทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะไปสละทุกสละเราทุกข์กับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็เยอะนะ แต่ทั้งที่ทุกนะก็ไม่รู้ตัวนะก็ยังคิดต่อก็เลยจิตใจก็เลยรุ่มร้อนเลยอยู่บนรถติดแอร์เปิดเพลงแต่ว่าใจนี่รุ่มร้อนนะไม่ใช่เพราะรถติดนะแต่เพราะว่าไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคนมักไปโทษว่าที่ใช้งหมิดเพราะรถติดนะที่จริงไม่ใช่ถ้าใจไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเน่ยมันไม่ทุกข์มันไม่เครียดหรอกแต่เพราะคิดไปล่วงหน้าข้ามฉอดไปแล้วนะ ไปโทษรถติดแต่ลืมดูใจตัวเองอันนี้เราส่งติดออกนอกไม่มีสติดูใจถ้า ม, มีสติรู้ทันใจเนี่ยมันก็จะวางนะคนเราทุกเนี่ยเพราะไปยึดติดทั้งนั้นแหละทุกใจเพราะยึดติดนะแต่ไม่รู้ตัวยึดติดนะทุกเพราะแบกพระเจ้าเนี่ยเคยเคยสอนพระนันทียะนะท่านสอนได้ดีมากนะสอนสั้นๆก็ชับสอนพระนันทียะว่าเนี่ยให้ปล่อยวาง ทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางอย่ายึดติดในอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจที่ไม่พอใจก็ให้วางเสียเมื่อเขาด่าว่าเราบนบกนะลงน้ําเมื่อเขาเบาด่าว่าเราบนบกก็ให้กองให้วางคําด่านะั้นลงตรงนั้นอย่าเอาลงน้ําเมื่อเขาด่าว่าเราในน้ํานะก็กองให้วาง คำด่าเหล่านั้นตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบกนะเขาด่าว่าเราในเมืองก็วางตรงนั้นไม่ต้องเอากับวัดอันนี้เป็นรู ป, ปรธรรมนะ ค, คือว่าคำด่าว่าเนี่ยนะมันไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่แบกมันไม่ยึดติดถือมั่นกับมันไม่เก็บเอามาคิดนะแต่พอเราแบกมันเอาไว้จากที่ทํางานมาจนถึงบ้านก็เลยทุกข์ไง บางทีมันไม่ใช่คําด่าว่ามันเป็นการงานนะงานการงานเนี่ยทําที่บ้านาทําอยู่ที่อยู่ที่ที่ทํางานนะพอกลับบ้านก็แบกเอามาด้วยไม่ได้แบกเอาแฟ้มกลับมานะบางทีมันแบกไว้ที่ในใจนะเอากลับมาเวลาไปทํางานก็แบกเรื่องราวของที่บ้านเนี่ยเอาไปที่ทํางานด้วยแทนที่จะวางไว้ เราเป็นหรือเปล่านะเวลาทํางานเนี lead, strong, ่ยนะก็ทํางานไม่มีความสุขนะเพราะนึกถึงลูกนะลูกไม่สบายหรือว่าลูกเกเรนะลูกติดเกมพอกลับมาบ้านอยู่กับลูกแทนที่จะอยู่กับลูกกลับนึกถึงงานนะเป็นอย่างเงี้ยเวลาทํางานใจก็นึกถึงลูกก็เลยทํางานไม่มีความสุขเวลากลับมาบ้านอยู่กับลูกแทนที่จะอยู่ด้วยใจเต็มร้อยก็นึกถึงงาน นะลูกก็ไม่สามารถจะมีความสุขกับเราได้เพราะเราเครียดเรากังวลกับงานเวลากลับมาบ้านเวลาจะนอนก็นึกถึงงานนะนอนไม่หลับพอนรุ่งขึ้นพอไปทำงานก็ทำงานไม่ได้เพราะง่วงนอนนี่เพราะว่าไม่รู้จักวางนะถ้าเรารู้จักวางเนี่ยชีวิตเราจะโปร่งเบาขึ้นเยอะรนถะจะติดก็ติดไปนะใจเราก็อยู่กับปัจจุบันไอ้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่เก็บเอามาเป็นกังวล เวลาทํางานมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างมันนะเราก็ใจเราก็อยู่กับงานแล้วคนส่วนใหญ่ใจมาไปอยู่กับผลของงานแล้วนะว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะเสร็จเราจะเป็นยังไงเจ้านายเขาจะว่าไหมหรือว่าคนเขาจะชมเราไหมหรือว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหรือเปล่าใจไปอยู่ตรงนั้นซะนะแล้วก็ไปยึดนะไปแบกไว้มันก็เลยเกิดความกังวลทํางานก็เลยไม่มีความสุข อนะความเครียดของคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทํางานเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเนื้องานมันยากนะแต่เพราะใจมันไปอยู่กับอนาคตซะหรือไม่ก็ไปอยู่กับคนอื่นนะไปนึกถึงโลกไปนึกถึงเมียไปนึกพ่อแม่ไปนึกถึงอความล้มเหลวอุปสรรคในอดีตนะอันนี้ก็เป็นความยึดติดทั้งนั้นนะพอไปยึดติดถือมันแล้วเนี่ยใจมันก็เป็นทุกข์และเป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวความทุกข์มันทําให้เราหลงนะ หลงพอหลงแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งมากขึ้นไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเกิดเพราะความโกรธความเกลียดความวิตกความกังวลนะพอทุกข์แล้วมันก็หลงหน้ามากขึ้นพอหลงแล้วก็ยิ่งยิ่งปรุงยิ่งคิดถึงเรื่องนั้นก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกนะมันเป็นวัตจกักรเพราะโกรธจึงหลงนะพอหลงจึงคิดนะพอคิดก็จึงโกรธโกรธแล้วก็หลงหลงก็คิดเครียด ก, ก็เหมือนกันนะ พอเคลียร์แล้วนี่มันก็ยิ่งหลงพอหลงก็ยิ่งถึงเรื่องเดิมๆมก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เราต้องตัดนะวงจรนี้ออกไปนะโดยการที่มีสติรู้ตัวจากหลงเนี่ยเป็นรู้นะพอรู้แล้วเนี่ยมันก็วางนะมันก็วางทันทีถ้าไม่วางเมื่อไหร่ก็ยังทุกข์นะหลวงพ่อชาติมนบอกเนี่ยทุกข์พยึดนะมีทุกข์มีทุกข์ ก, ก็พยึดนะ ถ้าหากว่าวางความทุกข์เสียได้ก็มันใจก็เป็นสุขนะทุกมีเพราะยึดนะทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะทุกหลุดเพราะปล่อยปล่อยนี่คือปล่อยทางใจนะงานการยังทําอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันวางมันวางเรื่องอะไรมันวางสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะอะไรที่ยังไม่ถึง นะก็วางมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างมันมันเสร็จต่อเมื่อมันเสร็จมันจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะที่ผ่านมาจะผิดพลาดอย่างไรจะมีอุปสรรคลำบากแค่ไหนก็ไม่เอามาคิดทําให้เกิดความกังวลทําให้เกิดความไม่มั่นใจนะถ้าจะคิดก็คิดเพื่อหาบทเรียนนะเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนมาเป็นครู อันนี้เรียกว่าคิดถูกนะใช้อดีตให้เป็นประโยชน์แต่ส่วนใหญ่อดีตมันใช้เรานะก็คือมันครอบงมจิตใจแล้วก็ปล่อยให้ใจเราเนี่ยจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตปรุงแต่งเรื่องราวในอดีตเป็นวักเป็นเวรอันนี้เรียกว่าอาดีตมันใช้เราใช้เราเราต้องใช้อดีตนะคือว่าเออมันมีข้อผิดพลาดอย่างไรที่ผ่านมาจะแก้ไขอย่างไรไม่ใช่ว่า จะคิดไม่ได้ถึงเรื่องที่ผ่านไปแต่ว่าจะคิดด้วยสติหรือคิดด้วยความหลงพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงไม่พึงพหวถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่เป็นอดีต ด, ด้วยอาลัยเนี่ยก็คือเอาแต่เศร้าโศกเสียใจกับมันอันนี้เพราะความหลง แต่ถ้าเราคิดด้วยสตินะคิดด้วยปัญญาเอ้เราได้บทเรียนนะเราได้แง่คิดเพื่อจะไปปรับปรุงการทํางานการโดยการเนี่ยก็ไม่ตามไม่พ้วงถึงสิ่งที่ออกมาไม่ถึงสิ่งที่มาไม่ถึงเนี่ยถ้าเรานึกถึงมันโดยไม่มีสตินะมันก็จะกังวลมันก็จะวิตกนะมันก็จะพ้วงนะอันนี้เราว่าคิดด้วยความหลงแต่ถ้าคิดด้วยสติอ่านะมันจะก็จะเกิดปัญญา อ๋อวางแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะวางแผนสามเดือนวางแผน6เดือนวางแผนหนึ่งปีมีการคาดการณ์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะถึงแม้มันจะดูไม่สดใสแต่ว่าใจก็ไม่วิตกเพราะว่าเรามีสติเราก็วางแผนให้มันสอดคล้องอันนี้เรียกว่ามีสติทําให้จิตเนี่ยนะปล่อยวางอดีตและอนาคตเพื่อที่จะ มาอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีทุกครั้งที่เราทุกใจนี่นะให้เราลึกอยู่เสมอว่าเนี่ยเรากําลังแบกกาลังยึดอะไรบางอย่างอยู่สาวไปให้ดีๆนะมันก็จะเจอไอ้สิ่งที่เราแบกสิ่งที่เรายึดเอาไว้มันไม่ใช่เพราะสิ่งข้างนอกสิ่งข้างนอกเนี่ยไม่ว่าปัญหาภาระจะหนักแค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่แบกเราก็ไม่ทุกข์นะเคยมีนายทหารคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ ที่เป็นอุปัชาของในหลวงเนี่ยส่วนในพระสังฆราชเจ้ากรมาหลวงวชิริยานนวงศ์ถ้าเป็นสังฆราชสมัยสักหกสิเจสิปีที่แล้วครองวัดบวรก็มาหาส่วนในพระสังฆราชนะด้วยสีหน้าที่หม่นมองนะในฐานคนนี้พอเจอส่วนในพระสังฆราชซึ่งเป็นเคยเป็นอุปชาขอของเขาเนี่ยเขาก็พูดเลยหนักครับหนักช่วงที่มันหนักเหลือเกินต้องถามว่าหนักอะไร ในทางนี้ก็พนันนานั้นหนักเรื่องมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องการทํางานสารพัดพรังครูมาเป็นสิบนาทียีสิบนาทีโดยภาษากราท่านก็ฟังนะฟังแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ยืน่นท่านก็บอกเนี่ยให้ทําอะไรสักอย่างนะอา้าวคุกเขา่ายื่นมือสองมือมาแล้วท่านก็ให้ถือกระดาษให้ประคองกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ยืนนั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องขยับไปไหนนะ เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวข่าเนีฉันแค่ว่าข่าข่าจะเข้าเข้าไปข้างในนะให้รอสักครู่นะท่านก็หายสเสด็จเข้าไปในตำหนักผ่านไปห้านาทีท่านก็ยังไม่สเสด็จออกผ่านไปสิบนาทีท่านก็ยังไม่สเสด็จออกมานายฐานคนนั้นเนี่ยประคองกระดาษในท่าคุกเข่าเนี่ยกระดาษที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะมันเริ่มหนักแล้ว ผ่านไปยี่สิบนาทีมือของเขาเริ่มสั่นแล้วนะเหงือ่ อ, อก็ออกครึ่งชั่วโมงนะสมเด็จเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชจจถึงเสด็จออกมาเสจอมาก็ต้องถามเป็นยังไงนายท่านกต้อตอบหนักครับเมื่อจนจะทนไม่ไหวแล้วครับท่านก็เลยตอบว่าอา้าวแล้วทําไมไม่วางมาลงล่ะก็ถือมันอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หนักได้ยังไงนี่ท่านสอนแล้วนะท่านสอนแบบที่ เรียกว่าฉลาดมากนะแทนที่จะบอกว่านี่แทนที่อธิบายแทนที่จะพูดนะซึ่งพูดไปแล้วก็อาจะไม่เข้าใจแต่ว่าท่านทําให้ดูเลยนะแในถางคนนั้นก็เลยรู้เลยนะว่าอ๋อที่ทุกเนี่ยที่หนักเนี่ยเพราะแบกเอาไว้ไอ้ของอะไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนมันไม่มีน้ําหนักนะเช่นกระดาษเนี่ยแต่ถ้าถือไว้านานๆเ น, น, น, นี่ยมันก็กลายเป็นหนักได้แก้วเนี่ยแก้วที่ไม่มีน้ําเนี่ย มันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราถือแก้วน้ำนั่งไว้นานๆสักห้านาทีเนี่ยมือเราเริ่มสั่นแล้วถ้าถือไว้สิบนาทีเนี่ยยิ่งเข้าไปใหญ่นทุกอย่างนะถ้าเราแบกเอาไว้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องทั้งนั้นนี่ขนาดสิ่งที่มันสัมผัสได้แม้แต่สิ่งที่แม้แต่สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้นะด้วยตานะคือเป็นนามธรรมเนี่ยเช่นภารกิจการงานอดีตอนาคตเนี่ย หรือว่าคําต่อว่าด่าทอเนี่ยถ้าเราแบกเอาไว้มันก็ทุกทั้งนั้นแหละนะแต่ที่ยังแบกเพราะไม่รู้ตัวนะแบกเพราะไม่รู้ตัวเมื่อคนที่ไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้บ้านนะสมัยก่อนนี่เขาจะมีโอ่งนะเก็บน้ําฝนะพอไฟไหม้เนี่ยไม่รู้จะหอบข้าวของของอะไรก็หอบก็อุ้มเอาโอ่งเนี่ยวิ่งหนีไฟไอตอนนี้ วิ่งหนีไฟเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันหนักนะพอปลอดภัยแล้วเนี่ยตัวรู้สึกเลยว่ามันหนักถึงตอนนั้นถึงค่อยวางแต่ตัคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ได้แบกโอ่งนะแต่แบกอะไรต่ออะไรไว้ในใจเยอะมากเลยการงานปัญหาอุปสรรคต่างๆรู้ว่าทุกนะแต่ว่าก็ไม่เฉลียวใจว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะภาระหรือปัญหาแต่เพราะแบบก้อนหินนะถ้ามันไม่แบกถ้าเราไม่แบกนะั่นมันหนักไหม นะต่อเมื่อเราแบกมาตัางหามาจึงหนักแล้วพอเราแบกแล้วเราทุกข์เราเหนื่อยเราเมื่อยก็ยังยังตะโกนด่าก้อนหินว่าทําไมมึงหนักแบบนี้ทําไมมึงหนักแบบนี้นะพยายามคิดหาคนเท้าว่าทำไมก้อนหินึงจะเบาเหมือนนุ่นถ้าคนสนใจคิดแบบนี้นะไม่เฉลียวใจว่าแล้วเราแบกทําไมนะอย่าไปคาดหวังให้ก้อนหินมันเบาอย่าไปหวังให้ก้อนหินมันกลายเป็นนุ่นอย่าไป อย่าไปมัวเสียเวลาด่ามันว่าทำไมมันหนักทําไมมันใหญ่แบบนั้นต้องถามตัวเราว่าเราแบกมันทําไมแต่ไม่ถามเพราะไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะไม่มีสติเนี่ยให้เรามีสติแล้วเนี่ยนะมันจะรู้ทันได้ไวมันจะมันจะแหวกมันจะมันจะมันจะวางได้เร็วนะมันจะปล่อยได้เร็วนะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้างหลังข้างหน้าหรือท่ามกลางเนี่ย ก็จะวางได้เร็วนะอาวชาเนิ่ยพูดกเท่านี้นะกลับพระ